อนุมานเหตุเกิดที่เป็นอดีตและอนาคตผู้ที่รู้เห็นเหตุเกิดของรูปนามในปัจจุบันอย่างนี้ย่อมอนุมารู้ได้ว่าแม้รูปนามในอดีตแม้รูปนามในอนาคตก็มีเหตุเกิดอย่างเดียวกันดังคมพีวิสุทธิมักกล่าวว่าผู้ปฏิบัติธรรมนั้นรู้เห็นความเกิดขึ้นของรูปนามในปัจจุบันเพราะ ปัจจัยอย่างนี้แล้วย่อมเข้าใจว่ารูปนามทั้งในอดีตและอนาคตก็เกิดขึ้นเพราะปัจจัยเหมือนรูปนามในปัจจุบันผู้ที่เข้าใจย่อมรู้เห็นว่ามีเพียงรูปนามที่เป็นเหตุและผลในการทั้งสมคืออดีตปัจจุบันและอนาคตไม่มีบุคคลเราของเราบุรุษหรือสตรี ละย่อมล่วงพ้นความสงสัย16ประเภทที่เนื่องด้วยตัวตนโดยจำแนกเป็นความสงสัยฝ่ายอดีต5ฝ่ายอนาคต5และฝ่ายปัจจุบัน6ดังนี้ 1. ความสงสัยฝ่ายอดีต5ได้แก่กเราเดินมาก่อนในอดีตการหรือหมายความว่าเราเคยเกิดมาก่อนอย่างต่อเนื่องในพบก่อนจะถึงพบนี้หรือไม่ ขอเราไม่เคยเกิดมาก่อนในอดีตการหรือหมายความว่าเราไม่เคยเกิดมาก่อนแล้วเพิ่งเริ่มมาเกิดในพบนี้หรือไม่ขอเราเคยเป็นอะไรในอดีตการหรือหมายความว่าเราเคยเกิดเป็นกริย์พรามเศรษฐียาจกมนุษย์เทวดาพรหมหรือสัตว์เดรัจฉานเป็นต้นขอเราได้อย่างไรในอดีตการ์คือหมายความว่า เราเคยมีรูปร่างสันฐานสูงต่ำดําหรือขาวเป็นต้นอีกนายหนึ่งคือเราได้เกิดในอดีตเพราะเหตุอันใดหมายความว่าใครที่เนรมิตรเรามาคือพระเจ้าพระอินทร์พรหมหรือเทวดาหรือเราเกิดมาเองตามธรรมชาติงอเราได้เป็นอะไรแล้วเป็นอะไรอีกในอดีตการหรือ ข้อความว่าเราได้เป็นอะไรแล้วเป็นอะไรอีกในอดีตการหรือหมายถึงการเวียนว่ายตายเกิดเป็นอะไรมาบ้างในพบก่อน 2. ความสงสัยฝ่ายอนาคตห้าได้แก่ก็เราจะเกิดในอดีตการหรือหมายความว่าอัตราของเราจะคงอยู่ไม่สูญสลายไปหลังจากเสียชีวิตหรือไม่ ขอเราจะไม่เกิดในอนาคตการหรือหมายความว่าอัตราของเราจะสูญสลายไปหลังจากเสียชีวิตหรือไม่คอเราจักเป็นอะไรในอนาคตการหรือหมายความว่าจะไปเกิดเป็นกรรษัตริย์หรือเป็นอะไรเป็นต้นคอเราจักเป็นอย่างไรในอนาคตการหรือหมายความว่าจะมีรูปร่างสันฐานอย่างไรอีกนายหนึ่ง คือเราจะเกิดในอนาคตได้เพราะเหตุอันใดหมายความว่าจะมีผู้เนรมิตเราหรือเราเกิดเองตามธรรมชาติงเราจักเป็นอะไรแล้วเป็นอะไรอีกในอนาค ต, ตการหรือ 3. ความสงสัยฝ่ายปัจจุบันหกได้แก่กเรามีอยู่หรือหมายความว่าอัตตาหรือวิญญาณ มีอยู่ในร่างกายนี้หรือขอเราไม่มีอยู่หรือหมายความว่าอัตตาหรือวิญญาณไม่มีอยู่ในร่างกายนี้หรือขอเราเป็นอะไรอยู่หรือหมายความว่าเราเป็นกษัตริย์หรือเป็นอะไรอยู่หรือขอเราเป็นอย่างไรอยู่หรือหมายความว่าเรามีรูปร่างสันฐานอย่างไรอีกนายหนึ่ง คือเราเกิดในปัจจุบันเพราะเหตุอันใดงบุคคล น, นี้มาแต่ไหนหรือจบุคคล น, นั้นมาจากภพไหนแล้วจกไปสู่ภพไหนหรือความสงสัย16ประเภทนี้มีได้แก่ผู้ยึดมั่นว่ามีบุคคลตัวตนดังคำพีวิสุทธิมาร์คมหาดีกากล่าวว่าความสงสยัยอันมีที่ตั้ง16อย่าง ซึ่งดำเนินไปโดยในว่าเราเกิดมาก่อนอดิตการมีความยึดมั่นตัวตนเป็นที่อาศัยหรือความสงสัยดังกล่าวจะไม่เกิดขึ้นแก่ผู้ที่เข้าใจว่ามีเพียงรูปนามที่เป็นเหตุและเป็นผลของการและกันไม่มีบุคคลเราของเราบุรุษหรือสตรีจัดว่าเป็นความดับไปด้วยการข่มไว้เปรียบเสมือนคนที่ ไม่รู้ว่ากระต่ายมีเขาหรือไม่ก็จะสงสัยอยู่ร่ำไปว่ากระต่ายมีเขาหรือไม่เขากระต่ายมีรูปร่างอย่างไรแต่เมื่อเขารู้ชัดว่ากระต่ายไม่มีเขาก็จะไม่สงสัยในเรื่องนั้นความเข้าใจว่ารูปนามเป็นเหตุผลของการแลกกันด้วยวิปัสสนาญาณที่สองนี้เป็นการดับความสงสัยด้วยการข่มไว้ชั่วขณะ ต่อเมื่อผู้ปฏิบัติธรรมได้บรรลุเป็นพระโสดาบันแล้วจึงจะขจัดความสงสัยได้เด็ดขาดด้วยมักคยานการรู้เห็นเหตุปัจจัยตามในที่สองผู้ปฏิบัติธรรมบางท่านย่อมรู้เ ห, เห็นเหตุเกิดของนามว่าการเห็นมีได้เพราะมีตามีสี การเห็นมีได้เพราะมีหูมีเสียงการรู้กลิ่นมีได้เพราะมีจมูกมีกลิ่นการลิ้มรสมีได้เพราะมีลิ้นมีรสการกระทบสัมผัสมีได้เพราะร่างกายมีสัมผัสการคิดการรู้หรือการกำหนดมีได้เพราะมีหัไทยวัตถุมีอารมณ์ที่จิตรับรู้ กุศลหรือการเจริญวิปัสสนามีได้เพราะการใส่ใจโดยแยบคายคือโยนิสโสมานสิการอยู่ในสถานที่เหมาะสมคบหากับสัตบุรุษ ฟ, ฟังธรรมของสัตบุรุษและมีบา ร, รมีเก่าอากุศลมีได้เพราะการไม่ใส่ใจโดยแยบคายคืออโยนิสโสมานสิการอยู่ในสถานที่ไม่เหมาะสมคบหากับคนพาล ฟังคำของคนพาลและไม่มีบารมีเก่าวิบากดีคือผลกรรมดีอันได้แก่การเกิดในภพที่ดีการเห็นได้ยินรู้กลิ่นริมรสกระทบสัมผัสและรับรู้สิ่งที่ดีวิบากไม่ดีมีได้เพราะกรรมชั่ววิบากไม่ดีคือผลของกรรมไม่ดีอันได้แก่การเกิดในภพที่ไม่ดี การเห็นได้ยินรู้กลิน่นลิ้มรสกระทบสัมผัสและรับรู้สิ่งที่ไม่ดีการพิจารณาอวัชนะจิตมีได้เพราะมีพวังคจิตที่เกิดขึ้นก่อนการรู้เห็นเหตุเกิดของรูปเช่นหมู่รูปในปัจจุบันอันได้แก่ตาหูเป็นต้นมีมาตั้งแต่เกิดได้ในพบนี้เพราะกรรมเก่า รูปที่เป็นอากัปกิริยานั่งเหยียดคูมีได้เพราะจิตสั่งที่ต้องการจะนั่งเหยียดคูเป็นต้นรูปที่เย็นร้อนมีได้เพระาะธาตุเย็นาธาตร้อนร่างกายมีกำลังวังชาเพราะอาหารที่กินดื่มผู้ปฏิบัติธรรมที่รู้เห็นเหตุเกิดของรูปนามโดยทั่วไปและไม่ทั่วไปอย่างนี้ย่อมอนุมานรู้ว่า รูปนามในภพก่อนมีได้จากเหตุปัจจยัยเหมือนรูปนามในภพนี้แ ม, ม้รูปนามในภพต่อไปก็จะมีได้หากมีเหตุปัจจัยเขาย่อมข้ามพ้นความสงสัย16ประเภทดังกล่าวนั้นการรู้เห็นเหตุปัจจัยตามในที่สาม ผู้ปฏิบัติธรรมบางท่านย่อมรู้เห็นความเกิดขึ้นความตั้งอยู่และความดับไปของรูปนามในปัจจุบันขณะที่กำหนดรู้อยู่ทําให้เข้าใจว่าความเกิดขึ้นคือความปรากฏแห่งขณะจิตหนึ่งความตายคือความดับไปของขณะจิตหนึ่งความตั้งอยู่หรือความแก่เป็นความดำรงอยู่อย่างต่อเนื่องของรูปนาม เขาย่อมรู้เห็นเหตุเกิดของรูปนามโดยปฏิจจสมุปบาทปฏิโลมในว่าความแก่และความตายมีได้เพราะมีการเกิดขึ้นก่อนการเกิดขึ้นก่อนมีได้เพราะมีกรรมที่เคยทำไว้ในภพก่อนกรรมที่เคยทำไว้ในภพก่อนมีได้เพราะยึดมั่นว่าถ้าทำแล้วจะได้รับผลดี ความยึดมั่นมีได้เพราะความต้องการรูปนามความต้องการรูปนามมีได้เพราะเวทนาที่รู้สึกดีหรือไม่ดีเวทนามีได้เพราะการกระทบระหว่างจิตกับอารมณ์การกระทบระหว่างจิตกับอารมณ์มีได้เพราะมีอายตนะหกคือตาจมูกลิ้นกายและใจอายตนะหมีได้เพราะ มีรูปนามอันเป็นที่อาศัยกล่าวคืออายตนะหได้แก่ประษาธรูปที่เป็นรูปสายอันได้แก่จักขุประสาธรูปโซตะระสาธรูปคานะประสาธรูปชิวหาประสาธรูปและกายประสาธรูปมีได้โดยอาศัยมหาภูตารูปสี่มีปฐวีเป็นต้น ส่วนมานาญาตนาคือจิตมีได้โดยอาศัยหะทัยวัตถุและนามธรรมที่ประกอบร่วมกันรูปนามีได้เพราะมีปฏิสนธิจิตภวังคจิตและสภาวะเห็นได้ยินเป็นต้นจิตดังกล่าวมีได้เพราะการทำกรรมเพื่อให้อยู่ดีมีสุขในภพก่อนการทำกรรมในภพก่อนมีได้เพราะความไม่รู้จริงและรู้ผิด การรู้เห็นตามปฏิจจสมุปบาทในนี้ย่อมปรากฏแก่ผู้มีบารมีแก่กล้ามีพระพุทธเจ้าเป็นต้นเท่านั้นผู้ที่รู้เห็นเหตุของรูปนามตามในนี้ย่อมอนุมานรู้ตามที่กล่าวไว้และข้ามพ้นความสงสัย16ประเภทดังกล่าว การรู้เห็นเหตุปัจจัยตามในที่สผู้ปฏิบัติธรรมบางท่านย่อมรู้เห็นเหตุเกิดของรูปนามโดยปฏิจจสมุปบาทอนุโลมในว่าเพราะมีอวิชชาจึงมีสังขารเพราะมีสังขารจึงมีวิญญาณเป็นต้นจัดว่าเป็นการรู้เห็นอย่างบริบูรณ์ของผู้มีบารมีเต็มเปี่ยมแล้วผู้ที่รู้เห็นเหตุเกิดของรูปนามตามในนี้ ย่อมอนุมานรู้ตามที่กล่าวไว้และข้ามพ้นความสงสัยสิบประเภทดังกล่าวการรู้เห็นเหตุปัจจัยตามในที่หผู้ปฏิบัติธรรมบางท่านย่อมรู้เห็นเหตุเกิดของรูปนามโดยเนื่องด้วยกรรมวัตและวิปากวัตว่าผลกรรมมีได้เพราะทำกรรมกรรมใหม่มีได้เพราะผลกรรมนั้น และผลกรรมใหม่ก็มีได้อีกเพราะกรรมทาใหม่ดังนี้เป็นต้นโดยองค์ธรรมจำแนกเป็นกรรมวัตรคืออวิชชาสังขารตัญหาอุปทานและกรรมภพวิปากวัตรคือวิญญาณนามรูปสลายตนะผัสสะและเวทนาผู้ปรารบความเพียรบางท่านสามารถรู้เห็นกรรมวัตรห้า และวิปากวัฏห้าโดยละเอียดบริบูรณ์บางท่านก็รู้โดยย่อคือรู้เห็นว่ากรร ม, มวัฏเป็นเหตุและวิปากวัฏเป็นผลกรรมดังคมพีปฏิสัมพิธามักกล่าวว่า 1. เมื่อบุคคลทากรรมในภพก่อนความหลงผิดเป็นอวิชชาความขนขวายในการให้ทานหรือฆ่าสัตว์เป็นต้นเพื่อให้ตนเป็นสุข เป็นสังขารความต้องการจะได้รับผลกรรมในปัจจุบันและอนาคตเป็นปัญหาความเข้าใจยึดมั่นโดยไม่ต้องการเป็นสุขในปัจจุบันอนาคตรหรือตัดพบชาติเป็นอุปทานเจตนาเป็นกรรมภพคือกรรมที่เป็นเหตุให้เกิดผลใหม่ 2. องทำทั้งห้าเหล่านี้เกิดขึ้นในขณะทำกรรมในภพก่อน ในคำพีอัตถกาถาแสดงถึงความต่างกันระหว่างสังขารและกรรมมาภพสามในในที่นี้ขอแสดงเฉพาะในแรกที่เข้าใจได้ง่ายว่าสังขารคือเจตนาที่เกิดขึ้นก่อนจะทํากรรมตั้งแต่เริ่มคิดและให้ทานหรือฆ่าสัตว์เป็นต้นเป็นตัวกระตุ้นเตือนให้รีบทํากรรมนั้นๆส่วนกรรมมาภพคือเจตนาในขณะทากรรม เป็นตัวจัดการในการทำกรรมนั้นๆให้สำเร็จโดยเร็วด้วยการมอบให้ผู้รับประทานหรือด้วยการฆ่าสัตว์เป็นต้นลำดับกรรมวัฏที่กล่าวไว้ในพระบาลีว่าวิชาสังขารปัญหาอุปทานและกรรมภพเป็นเพียงลำดับแห่งเทศนาแต่การเกิดขึ้นจริงมีลำดับดังนี้คือ เพราะมีอวิชชาที่ไม่รู้จริงและรู้ผิดจึงมีตัณหาที่ทยานอยากเพราะมีตัณหาจึงมีอุปทานที่ยึดมั่นว่าเมื่อทำกรรมนี้แล้วจะอยู่ดีมีสุขเพราะมีอุปทานจึงมีสังขารที่ดําริขวนขวายเพราะมีสังขารจึงมีกรรมภพในขณะทำกรรมเพราะมีกรรมภพจึงมีอวิชชาที่รู้ผิดว่ากรรมและผลกรรม เป็นสิ่งที่ดีงามมีตัณหาที่พอใจกรรมและผ ล, ละกรรมมีอุปทานที่ยึดมั่นว่าเราจะอยู่ดีมีสุขด้วยกรรมนั้นจะเห็นได้ว่ากรรมที่ถูกแวดล้อมด้วยอวิชชาและตัณหาในเวลาก่อนและหลังจากทำกรรมย่อมก่อให้เกิดภพใหม่ได้ วิปากวัตที่เป็นผลในปัจจุบันห้าในคำพีปฏิสัมพิธามักกล่าวว่า 1. จิตที่เชื่อมพบไว้คือปฏิสนธิจิตในพบนี้เป็นวิญญาณการอย่างลงเป็นนามรูปความใสของภาษาทรูปคือตาหูจมูกลิ้นและกายเป็นอายตนะ ที่ประจวบกันระหว่างอารมณ์กับจิตการกระทบระหว่างอารมณ์กับจิตเป็นผัสสะความรู้สึกเป็นเวทนา 2. องทำทั้ง5้าอย่างนี้เป็นผลในภพนี้เพราะอาศัยกรรมที่ทําไว้ในภพก่อนผู้ที่กําหนดรู้รูปนามอย่างต่อเนื่องในปัจจุบันขณะย่อมรู้สึกว่าจิตที่เป็นสภาวะเห็น และได้ยินเป็นต้นปรากฏต่อเนื่องกับจิตดวงก่อ น, อนเขาย่อมอนุมาลรู้ปฏิสนธิจิตที่เกิดเป็นดวงแรกของพบนี้ว่าเกิดต่อจากจุติดจิตในพบก่อนดังข้อความในคำภีวิสุทธิมักว่าจะขู่วิญญาณจิตที่เห็นรูปอันเกิดต่อจากมโนธาตุจิตที่พิจารณาไม่ได้มาจากมโนธาตุ แต่เกิดต่อจากมโนธาตุโดยแท้ฉันใดความสืบต่อของจิตในขณะปฏิสนธิก็ฉันนั้นคือจุติจิตในพบก่อนย่อมดับไปปฏิสนธิจิตในพบหลังจึงเกิดขึ้นต่อจากนั้นข้อความข้างต้นหมายความว่าผู้ปฏิบัติธรรมย่อมเข้าใจความสืบต่อของจิตโดยประจักษ์ว่าเมื่อรูปรารมมาปรากฏทางจักรุปสาท จิตทำหน้าที่พิจารณาอารมณ์ใหม่ย่อมเกิดขึ้นโดยพิจารณาว่ารูปนี้คืออะไรจากนั้นจึงเกิดจิตที่เห็นรูปความจริงแล้วจิตที่เห็นรูปมิได้มาจากจิตที่พิจารณาแต่เกิดต่อจากจิตที่พิจารณาในธำนองเดียวกันเมื่อจุติจิตในพบก่อนดับไปแล้วปฏิสนธิจิตในพบหลังจึงเกิดขึ้นต่อจากจุติจิต ปฏิสนธิจิตนี้มิได้เกิดจากจุติจิตเพราะจุติจิตดับศูนย์ไปหมดแต่ปฏิสนธิจิตเป็นจิตใหม่ที่เกิดต่อจากจุติจิตนอกจากนั้นผู้ที่กำหนดรู้รูปนามอย่างต่อเนื่องย่อมรู้เห็นว่ารูปนามที่กำหนดอยู่เหมือนปรากฏขึ้นมาใหม่ๆทางร่างกายและใจ จึงอนุมานรู้รูปนามในขณะปฏิสนธิว่ามีสภาพปรากฏเหมือนรูปนามที่กำหนดรู้ในปัจจุบันแม้ความเข้าใจอายตนะผัสสะและเวทนาก็เหมือนกันเมื่ออายตนะแก่กล้าแล้วเหตุสีอย่างคืออวิชชาตันหาอุปทานสังขารและกรรมภพย่อมเกิดขึ้นหมุนเวียนต่อไปโดยอาศัยผลห้าอย่าง ในปัจจุบันดังข้อความว่า 1. เมื่ออายตนะในภพนี้แก่กล้าความไม่รู้เป็นอวิชชาความข้นขวายเป็นสังขารความพอใจเป็นตัณหาความยึดมั่นเป็นอุปทานเจตนาเป็นกรรมภพบ 2. งทำทั้งห้าอย่างนี้เป็นปัจจัยแก่ปฏิสนธิต่อไปเมื่อทำกรรมไว้ในภพนี้ ผลห้าอย่างในอนาคตคือวิญญาณนามรูปสลายตนะผัสสะและเวทนาย่อมเกิดขึ้นเพราะเหตุห้าอย่างในปัจจุบันวิปากวัตที่เป็นผลในอนาคต5 1. จิตที่เชื่อมพบไว้ในพบต่อไป เป็นวิญญาณการย่างลงเป็นนามรูปความใสเป็นอายตนะการกระทบเป็นผัสสะความรู้สึกเป็นเวทนาสองทำทั้งห้าอย่างนี้เป็นผลในภพต่อไปเพราะอาศัยกรรมที่ทำไว้ในภพนี้ในเหตุและผลที่กล่าวมานี้เหตุในอดีตห้าเหมือนกับในปัจจุบัน ผลในอนาคต5ก็เหมือนกับผลในปัจจุบันดังนั้นผู้ที่เข้าใจเหตุและผลในปัจจุบันโดยประจักษ์ย่อมอนุมานรู้เหตุและผลในอนาคตได้ที่จริงแล้วผลทั้ง5เป็นสภาพที่ปรากฏในจิตดวงหนึ่งดวงหนึ่งที่บุคคลกำหนดอยู่ผู้ที่เข้าใจผลโดยในสังเขตย่อมรู้เห็นผลทั้งห้า โดยความเป็นผลเหมือนกันกล่าวคือเมื่อระลึกรู้เท่าทันสภาวธรรมที่ปรากฏโดยลักษณะที่ดีหรือไม่ดีก็ตามพึงกำหนดรู้เพียงสภาวะเห็นได้ยินรู้กลิ่นลิ้มรสกระทบสัมผัสและคิดถึงแล้วอาจรู้เห็นว่าสภาพเหล่านั้นเป็นผลที่เกิดจากกรรมเก่าไม่จาเป็นจะต้องแยกแยะ ว่าสภาพนี้เป็นวิญญาณหรือนามรูปเป็นต้นโดยในเดียวกันผู้ปฏิบัติธรรมที่เข้าใจเหตุและผลในขณะกาหนดรู้สภาวธรรมปัจจุบันย่อมรู้เห็นว่าผลกรรมและกรรมอันเป็นเหตุให้เกิดมาแล้วในภพก่อนจะเกิดขึ้นในภพใหม่ต่อไปมีเพียงกรรมและผลกรรมปรากฏอยู่จริงโดยประจากบุคคล ผู้ทำกรรมและผู้เสวยผลกรรมเขาย่อมข้ามพ้นความสงสัย16ประเภทได้ดังข้อความว่า 1. ผู้ปฏิบัติธรรมนั้นเห็นความเป็นไปของรูปนามตามเหตุปัจจัยโดยเนื่องด้วยกรรมวัดและวิปากวัฏอย่างนี้ย่อมรู้เห็นว่ารูปนามเป็นไปแล้วในอดีตการตามเหตุปัจจัยโดยเนื่องด้วยกรรมวัดและวิปากวัฏฉันใด รูปนามจักเป็นไปในอนาคตการตามเหตุปัจจัยโดยเนื่องด้วยกรรมวัตและวิปากวัตรจาก น, นั้น 2. องขอย่อมรู้เห็นว่ามีเพียงกรรมและผลกรรมวนเวียนกรรมและวนเวียนวิบากกระแสกรรมและกระแสวิบากการสืบต่อแห่งกรรมและการสืบต่อแห่งวิบากการกระทำและผลของการกระทำ ผลย่อมดำเนินไปเพราะกรรมและผลก็ก่อให้เกิดกรรมอีกทั้งพบใหม่ย่อมมีได้เพราะกรรมชาวโลกหมุนเวียนอยู่โดยกรรมและผลของกรรมนี้ผู้ทำกรรมดีหรือชั่วย่อมไม่มีผู้เสวยผลดีหรือชั่วก็ไม่มีสภาวะธรรมล้ว น, วนย่อมดำเนินไปความเห็นอย่างนี้เป็นความเห็นชอบ เมื่อบุคคลรู้เห็นกรรมและผลที่ดำเนินไปร่วมกับเหตุอย่างนี้เบื้องต้นย่อมไม่ปรากฏเหมือนเบื้องต้นของมเมล็ดและต้นไม้ความสิ้นสุดกระแสกรรมและวิบากแม้ในสงสารที่เป็นอนาคตย่อมไม่ปรากฏขอยกตัวอย่างเช่นในขณะให้ทานเจตนาคือความตั้งใจในการให้เกิดขึ้นร่วมกับจิต หรือในขณะฆ่าสัตว์เจตนาคือความตั้งใจในการฆ่าก็เกิดขึ้นร่วมกับจิตแม้รูปคืออากัปกิริยาทางกายและวาจาที่คล้อยตามเจตนานั้นย่อมเกิดขึ้นในขณะนั้นด้วยเหตุนี้เจตนาพร้อมด้วยอากัปกิริยาทางกายและทางวาจาจึงได้ชื่อว่ากรรมแม้รูปนามทั้งสองจะได้ชื่อว่ากรรม แต่พระพุทธเจ้าตรัสระบุถึงเจตนาที่ให้ผลว่าเป็นกรรมเพราะเป็นหลักสำคัญที่ก่อให้เกิดอากับกริยาดังกล่าวดังพระพุทธพจน์ว่าหนึ่งดูกะละภิกษุทั้งหลายตถาคตกล่าวเจตนาว่าเป็นกรรม 2. บุคคลตั้งใจแล้วจึงทำกรรมทางกายวาจาและใจ การใช้คําในลักษณะนี้เป็นสำนวนทางภาษาที่เรียกว่าประธานในคือในที่กล่าวถึงสิ่งที่เป็นประธานแต่ยังมุ่งหมายถึงสิ่งที่ไม่เป็นประธานอีกด้วยดังนั้นกรรมจึงหมายรวมถึงเจตนาพร้อมด้วยอากัศกริยาทางกายและวาจาที่เป็นรูปนามทั้งสองอย่างนั้นจะเห็นได้ว่าในขณะทำกรรม รูปนามดังกล่าวย่อมปรากฏคนทั่วไปจะเรียกขานรูปนามนั้นว่าบุคคลให้ทานบุคคลฆ่าสัตว์แต่คำนั้นเป็นเพียงสมมติบัญญตัติเพื่อการสื่อสารกันเท่านั้นไม่มีบุคคลเราเขาผู้ให้ทานหรือฆ่าสัตว์แต่อย่างใดนอกจากนั้นในขณะเห็นได้ยินผลกรรมคือการรู้หรือเสวยอารมณ์ที่ดี หรือไม่ดีย่อมเกิดขึ้นคนทั่วไปมักเรียกขานรูปนามนั้นว่าบุคคลเสวยผลคำนั้นเป็นเพียงสมมุติบัญญตัติเพื่อการสื่อสารกันไม่มีบุคคลเราเขาผู้เสวยผลแต่อย่างใดด้วยเหตุ ด, ดังกล่าวกรรมดีและกรรมชั่วจึงมีได้ในขณะทรรมกรรมชาติก่อนส่วนปฏิสนธิจิต พะวังคจิตจิตที่เห็นจิตที่ได้ยินในชาตินี้เป็นผลที่เกิดจากกรรมนั้นและกรรมดีกรรมชั่วที่บุคคลทําเพื่อให้ตนอยู่ดีมีสุขย่อมปรากฏอีกเนื่องด้วยผลดังกล่าวอีกทั้งผลกรรมในชาติต่อไปก็จะมีขึ้นเพราะกรรมใหม่ที่ทําไว้ในชาตินี้ตามในนิกรรมและผลกรรมย่อมหมุนเวียนสืบต่อกันไป ความเข้าใจเหตุปัจจัยของรูปนามโดยปราศจากผู้ทํากรรมหรือผู้เสวยผลกรรมชื่อว่าปัจจยะปริฆยาณอันมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสัมมาทัศนะคือความเห็นชอบผู้ที่เข้าใจเหตุปัจจัยของรูปนามย่อมรู้เห็นว่ากรรมในชาติก่อนย่อมมีแน่นอนเพราะมีผลในชาตินี้ ผลที่เนื่องด้วยกรรมเก่าต้องเคยมีมาแล้วแม้กรรมเก่าของผลนั้นก็ต้องมีในชาติก่อนๆสังสารวัตรคือกระแสรูรปนามจึงไม่ปรากฏเบื้องต้นเปรียบเหมือนเมื่อมีเ ม, ม, เมล็ดจึงมีต้นไม้ที่เกิดจากเมล็ดและมีเมล็ดที่เกิดจากต้นไม้นั้นต่อมาเมื่อมีฟองไข่จึงมีไก่ที่เกิดจากฟองไข่ และจะมีฟองไข่ที่เกิดจากแม่ไก่นั้นต่อมาสำหรับข้อเสนอที่กล่าวว่ารูปนามเกิดจากเนรมิตของพระเป็นเจ้าย่อมอาจถูกตั้งข้อสงสัยได้ว่าใครเนรมิตเป็นพระเจ้าเนรมิตในเวลาใดและเนรมิตเพราะเหตุใดเมื่อตามคิดหาเหตุผลที่มาเป็นลําดับไป ก็จะไม่ได้คำตอบที่มีเหตุผลเพียงพอให้เชื่อถือได้เพราะถ้าสำคัญว่ารูปนามในอดีตเกิดขึ้นเองโดยปราศจากเหตุปัจจัยแล้วรูปนามในปัจจุบันก็เกิดขึ้นเองได้เช่นกันโดยที่ไม่ต้องมีเหตุปัจจัยแต่ผู้ที่เข้าใจเหตุปัจจัยของรูปนามด้วยปัญญาที่รู้เห็นโดยประจักษ์ หรือด้วยปัญญาที่อนุมานรู้ย่อมไม่พบรูปนามที่เกิดขึ้นเองได้ดังนั้นข้อสงสัยว่ารูปนามเกิดขึ้นเองได้โดยปราศจากเหตุปัจจัยจึงยังขาดเหตุผลที่ควรเชื่อถือได้อันหนึ่งการเปรียบเทียบที่กล่าวมาเป็นเพียงสำนวนภาษา เพื่อแสดงความคล้ายคลึงกันเป็นบางส่วนมิได้มุ่งแสดงความเหมือนกันทั้งหมดดังคำยกย่องว่าพระพักของจอมุนีงามดังดอกปทุมในทํานองเดียวกันสังสารวัตรย่อมมีลักษณะต่างจากต้นไม้และเมล็ดหรือแม่ไก่กับฟองไข่ดังกล่าวคือต้นไม้และเมล็ดหรือแม่ไก่กับฟองไข่เป็นสิ่งที่รู้ได้ชัดถึงสภาพตั้งต้น แต่กระแส ร, รูปนามที่เป็นกรรมและผลของกรรมนี้ไม่ปรากฏเบื้องต้นเหมือนสิ่งเหล่านั้นแต่กระแส ร, รูปนามที่เป็นกรรมและผลกรรมจะดำเนินต่อไปอย่างไม่สิ้นสุดเหมือนต้นไม้แล ะ, มะเมล็ดหรือแม่ไก่กับฟองไข่ถ้ายังขจัดกรรมด้วยมรรคยานไม่ได้ผลก็จะไม่สิ้นสุดไปได้เมื่อจุติจิตในชาติหนึ่งชาติหนึ่งดับไปแล้ว ผลคือปฏิสนธิจิตเป็นต้นย่อมเกิดขึ้นทันทีในชาติต่อไปดังข้อความในคำพีวิสุทธิ์ที่มักว่ากรรมไม่มีในผลผลก็ไม่มีในกรรมทั้งสองอย่างว่างเปล่าซึ่งกันและกันแต่ผลย่อมไม่มีโดยปราศจากกรรมกรรมและผลกรรมเกี่ยวเนื่องกันโดยความเป็นเหตุและผลคือกรรมเป็นเหตุให้เกิดผล ผลเกิดจากกรรมแต่ทั้งสองอย่างนี้ไม่ได้เกิดขึ้นพร้อมกันเหมือนการดื่มกินอาหารที่ทําให้เกิดความอิ่มหนาและก็เป็นสุขต่อมาดังนั้นกรรมจึงไม่มีในผลและผลก็ไม่มีในกรรมกรรมนั้นว่างเปล่าจากผลผลก็ไม่ได้มีอยู่ในกรรมแต่ผลเกิดจากกรรมนั้นโดยอาศัยกรรมแน่นอน โดยแท้จริงแล้วในโลกนี้ไม่มีเทพเจ้าหรือพระพรหมผู้สร้างสังสารวัฏสภาวธรรมล้วนย่อมดำเนินไปเพราะเหตุปัจจัยเท่านั้นข้อความว่ากรรมไม่มีในผลอธิบายได้ว่าได้อันเป็นเหตุให้เกิดผ้ามีอยู่ในผ้าที่เป็นผลแต่กรรมไม่ได้มีอยู่ในผลเหมือนได้ ข้อความว่าผลก็ไม่มีในกรรมอธิบายได้ว่ารวงข้าวมีอยู่ในต้นข้าวที่เป็นเหตุแต่ผลไม่ได้มีอยู่ในกรรมเหมือนรวงข้าวเพราะเป็นสภาพที่เกิดขึ้นใหม่เท่านั้นผู้ปฏิบัติธรรมที่เข้าใจเหตุเกิดของรูปนามตามกรรมและผลกรรมแล้วย่อมรู้เห็นความเกิดขึ้นของจุติจิตในภพก่อนและ ปฏิสนธิจิตในภพนี้ได้อีกด้วยกล่าวคือเมื่อสีปรากฏทางจักขุทวารความใส่ใจที่พิจารณาสีว่าคืออะไรย่อมเกิดขึ้นต่อจากนั้นสภาวะเห็นจึงมีได้ความใส่ใจต่อเนื่องกับสภาวะเห็นฉันใดจุติจิตก็ต่อเนื่องกับปฏิสนีิจิตเมื่อจุติจิตในภพก่อนดับไป ปฏิสนธิจิตจึงมีได้ในพบใหม่ด้วยกรรมเก่าฉะนั้นการรู้เห็นดังกล่าวมักปรากฏแก่ผู้ที่ศึกษาหลักธรรมมาแล้วผู้ที่ไม่ได้ศึกษาหลักธรรมอาจเข้าใจว่าการกำหนดรู้เห็นหนอย่อมมีได้ต่อจากสภาวะเห็นและสภาวะเห็นก็มีได้อีกต่อจากการกำหนดรู้ความตาย เป็นการดับไปของจิตดวงหนึ่งความเกิดเป็นการเกิดของจิตดวงหนึ่งในชาติใหม่ต่อจากจุติจิตผู้ที่เข้าใจโดยย่ออย่างนี้จัดว่าได้รู้เห็นสภาวธรรมที่เป็นอดีตปัจจุบันและอนาคตทั้งหมดพร้อมด้วยเหตุเกิดดังคำพีวิสุธทธิมาร์กล่าวว่าเมื่อผู้ปฏิบัติธรรมนั้นกระทาการกาหนดรู้รูปนามโดยจาแนกเป็นกรรมวัฏ และวิภาควัตยอย่างนี้แล้วขจัดความสงสัยในการทั้งสามสภาวธรรมที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันทั้งหมดย่อมเป็นอันเขารู้ได้โดยเนื่องด้วยจุติและปฏิสนธิยานที่กําหนดรู้ปัจจัยของรูปนามโดยประการทั้งปวงของผู้ที่รู้เห็นสภาวธรรมทั้งปวงเนื่องด้วยจุติและปฏิสนธิอย่างนี้ ย่อมเป็นสภาพมีกำลังข้อความว่าสภาวะธรรมที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันทั้งหมดย่อมเป็นอันเข้ารู้ได้ไม่ได้หมายถึงความรู้เห็นของเหตุเกิดของรูปนามทุกอย่างเหมือนรู้ด้วยสัพพัญยุตยานแต่เป็นการอนุมานรู้ว่าธรรมทุกอย่างก็มีเหตุเหมือนจุติและปฏิสนธิท่านจึงกล่าวขยายความว่าโดยเนื่องด้วย จุติและปฏิสนธิผู้ที่เจริญสติระลึกรู้รูปนามปัจจุบันแล้วเข้าใจเหตุเกิดของรูปนามได้ตามใน5้าอย่างใดอย่างหนึ่งย่อมรู้เห็นว่ามีเพียงรูปนามที่เป็นผลเกิดขึ้นจากรูปนามที่เป็นเหตุในการทั้งสมเลยได้ชื่อว่าบัลลุปัจจยะปริคหายานอย่างสูง ยานดังกล่าวล่วงพ้นความสงสัย16ประเภทที่กล่าวมาแล้วและความสงสัย8อย่างที่สงสัยในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สิกขาสามรูปนามในอดีตรูปนามในอนาคตรูปนามในปัจจุบันพร้อมด้วยเหตุและผลที่เกิดขึ้นเนื่องกันจึงได้ชื่อว่ากังขาวิตรณวิสุทธิ คือความหมดจดด้วยการข้ามพ้นความสงสัยนอกจากนั้นผู้ที่เข้าใจความดับไปของจุติจิตและความเกิดขึ้นของปฏิสนธิจิตที่เนื่องกันย่อมรู้เห็นว่ารูปนามในภพก่อนมิได้ย้ายมาสู่ภพนี้แต่ดับไปในภพก่อนแล้วรูปนามใหม่ย่อมเกิดขึ้นในภพใหม่ด้วยกรรมเก่าในบางขณะ อาจพิจารนาว่ารูปนามในพบก่อนมีสภาพไม่เที่ยงดับไปในพบก่อนแล้วแม้รูปนามในพบนี้ก็มีสภาพไม่เที่ยงดับไปในพบนี้เหมือนกันความพิจารณาเช่นนี้เป็นเบื้องต้นของส ม, มะสนญาณพระจูลโสดาบัน ในคำพีวิสุทธิมักกล่าวว่าผู้จเจริญวิปัสนาที่เรียบพร้อมด้วยยา น, นี้ย่อมได้รับความเบาใจและได้รับสิ่งที่พึ่งในคำสอนของพระพุทธเจ้าชื่อว่าพระจูลโสดาบันผู้จะไปเกิดในสุคติภูมิแน่นอนความเบาใจอย่างแท้จริงในพระพุทธศาสนาคืออริยผลส่วนที่พึ่งอย่างแท้จริงคืออริยมรรค แม้ผู้ปฏิบัติธรรมในระดับนี้จะยังไม่ได้บรรลุมรรคผลก็เป็นผู้ดำรงอยู่ในปฏิปทาที่จะทำให้บรรลุมรรคผลได้แน่นอนจึงกล่าวว่าเป็นผู้ได้รับความเบาใจและได้รับที่พึ่งในคำสอนของพระพุทธเจ้าอีกในหนึ่งผู้ที่กำหนดรู้รูปนามตามความเป็นจริงด้วยนามรูปปริเชทยานและย่อมเกิดความปราโมทจึงกล่าวว่า เป็นผู้ได้รับความเบาใจส่วนผู้ที่กำหนดรู้เหตุเกิดของรูปนามด้วยปัจจยะปริคหายานย่อมขจัดความเห็นผิดว่ามีบุคคลตัวตนผู้เนรมิตเหล่าสัตว์หรือเหล่าสัตว์ที่เกิดได้เองโดยไม่มีเหตุปัจจัยเป็นต้นเขาย่อมเป็นผู้เพียบพร้อมได้ศรัธทธาที่มั่นคงไม่เสื่อมไปด้วยทิฏฐินั้น จึงได้ชื่อว่าเป็นผู้ได้รับที่พึ่งดังคำภีมหาดีกาอธิบายว่า 1. ผู้ที่จเจริญวิปัสนาภาวนาที่ไม่เสื่อมไปจากกังขาวิตรณวิสุทธิแม้จะไม่ได้แทงตลอดทมขั้นสูงก็มีสุขติภูมิเป็นเบื้องหน้าเพราะถึงพร้อมด้วยศีลสมาธิและปัญญาอันบริบูรณ์ฝ่ายโลกิยะ ฉะนั้นท่านจึงกล่าวว่าเป็นผู้จะไปเกิดในสุขติภูมิแน่นอน 2. อดังนั้นจิงชื่อว่าพระจูรโสดาบันข้อความว่าไม่เสื่อมไปจากกังขาวิตระณะวิสุทธิหมายความว่าผู้ที่ปราศจากทิฏฐิคือความเห็นผิดว่ามีตัวตนและวิจิกิจฉาและอยู่ในระดับกังขาวิตระณะวิสุทธิ จึงกล่าวได้ว่าเป็นผู้จะไปเกิดในสุคติภูมิแน่นอนแต่วิสุทธินี้เป็นเพียงฝ่ายโลกิยะไม่ใช่ฝ่ายโลกุตละจึงอาจเสื่อมไปได้ในบางขณะอาจเกิดความเห็นผิดคือทิฏฐิและวิจิกิจจาเพราะพิจารณาผิดหรือฟังธรรมผิดทำให้วิสุธทธิเสื่อมไปในขณะนั้นเขาไม่ใช่ผู้ที่จะไปเกิดในสุคติภูมิ แน่นอนข้อความว่าถึงพร้อมด้วยศีลสมาธิและปัญญาอันบริบูรณ์หมายความว่าบุคคลนั้นจะไปเกิดในสุคติภูมิแน่นอนเพราะมีศีลสมาธิและปัญญาอันบริสุทธิ์แต่ถ้าเขาหยุดการเจริญวิปัสสนาก็จะเสื่อมจากศีลสมาธิและวิปัสสนาและไม่ใช่ผู้จะไปเกิดในสุคติภูมิแน่นอน ดังนั้นผู้ที่จะบริบูรณ์ด้วยวิสุทธินี้ต้องอยู่ในระหว่างเจริญวิปัสนาเท่านั้นหลังจากไม่ได้เจริญวิปัสนาแล้วหากยังเป็นผู้ที่ปราศจากทิฏฐิและวิจิกิจฉาอีกทั้งยังมีศีลบริบูรณ์พบต่อไปของเขาจึงจะแน่นอนด้วยเหตุนี้ผู้ปฏิบัติธรรมจึงไม่ควรประมาทว่าเราเป็นพระจูลโสดาบันแล้ว จะไปเกิดในสุขติภูมิแน่นอนแล้วเลิกปฏิบัติธรรมไปและละเลยการรักษาศีลให้บริสุทธิ์พบของพระจูลโสดาบันพระจูลโสดาบันไปเกิดในสุขติภูมิแน่นอนในภพที่สองแต่ไม่แน่นอนในภพที่สาม คือพบถัดไปจากพบหน้าเป็นต้นไปดังข้อความในคำพีดีกาข้างต้นว่าไม่เสื่อมไปจากกังขาวิตรณวิสุทธิและเพราะถึงพร้อมด้วยศีลสมาธิและปัญญาอันสมบูรณ์ฝ่ายโลกิยะฉะนั้นท่านจึงกล่าวว่าเป็นผู้จะไปเกิดในสุขติภูมิแน่นอนที่จริงแล้วบุคคลอาจเสื่อมไปจากกังขาวิตรนวิสุทธิและศีล สมาธิปัญญาในภพนี้ได้ภพที่สองของเขาจึงไม่แน่นอนซึ่งทําให้ภพที่สามเป็นต้นไปก็ไม่แน่นอนเช่นเดียวกันต่อจากนั้นพระโพธิสัตว์ของเราทั้งหลายได้รับอุปสมบทเป็นพระภิกษุเพียงเก้าชาติในสํานักของพระพุทธเจ้า9พระองค์เริ่มตั้งแต่พระพุทธเจ้าพระนามโกนทัญญะ ที่ตรัสรู้ในเวลาสามอสงไขยที่ผ่านมาดูในวิปัสนาในเล่มหนึ่งหน้าที่ร0อยแและพระองค์ได้เจริญวิปัสนาด้วยคัตตะปัจจาคัตตะวัดจนกระทั่งบรร ล, ลุถึงสังขารุเปกขายานอันเป็นวิปัสนาญาณสูงสุดของปุตชนอันหนึ่งพระองค์ได้รับพยากรจากพระพุทธเจ้าสุมนณะ และพระพุทธเจ้าวิปัสสีเมื่อเสวยพระชาติเป็นพญานาคและได้รับพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าปทุมะเมื่อเสวยพระชาติเป็นพระยาราชสีแม้ในชาดกที่กล่าวถึงพัฒกับนี้ก็พบเรื่องที่พระองค์ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างโดยเฉพาะในเตมียชาดกพบเรื่องที่พระองค์เคยตกนรกแล้วระลึกถึงชาตินั้นได้ คตาปัจจาคตวัดคือวัดกรรมฐานอย่างหนึ่งที่ต้องกำหนดสติตลอดทั้งเวลาไปและกลับจากบินทบาทหรือเมื่อเจริญสติอยู่ในเวลาเดินถ้าขาดสติเมื่อไรก็กลับมาที่เก่าแล้วเริ่มต้นเดินใหม่หลักฐานจากพระบาลีและอัตถกถาข้างต้นแสดงว่าแม้พระโพธิสัตว์ได้บรรลุถึงสังขารูปเปกขาาน ที่สูงกว่ากังขาวิตรณาวิสุทธิก็อาจไม่หลุดพ้นจากอบายภูมิได้ดังนั้นสำหรับคนทั่วไปที่มีศรัทธาและวิริยะไม่มั่นคงอีกทั้งบรรลุเพียงกังขาวิตรณาวิสุทธิคงเป็นไปไม่ได้ที่จะไปเกิดในสุขติภูมิอย่างแน่นอนผู้ที่ต้องพ้นไปจากอบายภูมิโดยเด็ดขาดจึงภาคเพียรปฏิบัติเพื่อรักสักยทิฏฐิ ความเห็นผิดว่ารูปนามที่มีจริงเป็นอัตตาตัวตนด้วยโสดาปติมักอย่างพอใจอยู่ในกังขาวิตรณะวิสุทธิเท่านั้นดังพระพุทธโอวาสในสังยุตตนิกายว่าผู้ที่เห็นภัยในวัตตะพึงเจริญสติอยู่เพื่อขจัดสักยะทิฏฐิเหมือนผู้ที่ถูกหอกแทงหรือถูกไฟเผาศีรษะฉะนั้น